พระลาหุนวันที่หมิถุนายน2559กราบกาบนามรสการเพร่อุณเจ้าสามนเณรคุณเมชีกลยมิตรทุกท่านก็นั่งสบายสบายเนาะเป็นทุกคืนวันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็พูดเรื่องโลกิยธรรมอาทิตย์นี้พูดเรื่องโลกุตลธรรมโลกุลธรรมที่ดีที่สุด เมื่อต้องไปอ้างทฤษฎีนะก็เรียนรู้ประวัติพระหลัหันเจ้าทั้งหลายนะรู้ประวัติแล้วก็รู้ที่มาที่ไปและเราจะเห็นว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นน า, นานาจิตตังวันนี้ก็เลือกบทของพรลิยสงนะรูปหนึ่งคือพระร า, าหุล ก็เชิญเมชีหัวคือเยอะมากพวกครูเลือกเฉพาะที่จำเป็นนะถ้าอ่านหมดก็เป็นเวลานานเดี๋ยวเมชีน้อยจะนอนหลับก่อนนะตั้งใจฟังแบบผ่อนคลายนะฟังให้มีความรู้สึกมีความสุขกับการฟังแล้วก็พวกครูก็จะสรุปพูดภาษาธรรมดาธรรมดา พระลาหุนเถระพิสูสาวกพุเลิศด้านใคร่ศึกษาอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ามนุปทุมุตระครั้งพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้เกิดในเรือนมีสกุลถึงความรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งได้ฟังพระธรร ม, มเทศนาในสำนักพระพุทธเจ้าและได้เห็นพระศาสดา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 เล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหันต์แล้วว่าเราได้ปูลาดกระจกบนปราสาทเจชั้นถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระจากนั้นพระองค์ประทับยืนอยู่ในท่ามกลางพิสูจน์งตรัสพยากรณ์ว่าอุบาสกผู้ทำที่นอนนี้ให้ชวดช่วงดุดกระจกเงาที่ปูลาดไว้อย่างดีอุบาสกนี้จะได้ปราสาททองปราสาทเงิน หรือปราสาทแก้วไยทูนอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจอุบาสกนั้นจะเป็นจอมเทศของเทวสมบัติ64ชาติจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกิดต่อกัน 1,000 ชาติในกลับที่หนึ่งแสนจากกลับนี้จะมีพระาศาสดาพระนามว่าโคตม ะ, สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอุบาสกนั้นถูกกุศลลมูลตักเตือนแล้วจะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต เกิดเป็นพระโอรสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคตมะถ้าเขาอยู่ครองเรือนก็จะพึงได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแต่เรื่องที่เขาจะยินดีในการอยู่ครองเรือนนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เขาจะต้องออกจากเรือนไปบวชมีข้อวัดอันดีจะสำเร็จพระอารหัดเป็นพระอารหันชื่อว่าราหุลพระราหุลเป็นผู้มีปัญญารักษาตนสมบูรณ์ด้วยศีล ดูดกนกน้อยต้อยตีวิทรักษาฟองไข่ดุดจามารีรักษากขนหางตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งครั้งนั้นมีพิสุประมาณหนึ่งแสนรูปไปนาคพิภพพร้อมกับพระาศาสดาทรงเหยียบขึ้นอยู่พญาปัทวินธารนาคราชและหมู่นาค แ, แลเห็นพระพุทธเจ้าหมู่พิสุ และมีสาวมเณรชื่ออุปะเรวัตตผู้เป็นพระโอรสของพระตถ า, าคตอยู่ท้ายสุดพระนาคราชเห็นสาวมเนรแล้วคิดว่าอนุภาพของพระพุทธเจา้าหรือของพระสาวกไม่น่าอัศจรรย์นักแต่อานุภาพของเด็กเล็กๆนี้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินแล้วทูลนิมนต์เข้าสู่พบ <ham mad> เมื่อพระพุทธเจา้าและหมู่พิสูจนั่งยังอาสนะของตนตนแล้ว พญานาคแปลงเป็นมานพแล้วถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวอื่นๆพลางแลดูพระพุทธเจ้าทีหนึ่งแลดูสามเณรอุปะเรวตตทีหนึ่งในว่าพญานาคเห็นลักษณะ32ประการของสามเณรมีเหมือนพระพุทธเจ้าจึงสงสัยอยู่ว่าเป็นอะไรกันหนอแล้วไม่อาจปิดวังความสงสัยต่อไปได้จึงถามพิสูรรูปที่นั่งอยู่ใกล้ๆว่า ท่านเจ้าขาสั ม, มนเณีรูปนี้เป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือพิสูจน์นั้นตอบว่าสั ม, มนเณีเป็นพระโอรสมหาบพิตรพญานาคราดพญานาคราดดำริว่าสั ม, มนเณีรูปนี้ยิ่งใหญ่จริงหนอถึงความเป็นพระโอรสของพระตถาคตผู้สง่างามเห็นปานนี้แม้สรีระของท่านก็ปรากฏเหมือนพระสรีระของพระตถาคตแม้ตัวเรานี้ก็ควรได้เป็นอย่างนี้ในอนาคต พญานคราถวายมหาทานตลอดเจวันวันที่เจกระทําความปรารถนาว่าพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์พึงได้เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอนาคตเหมือนอุ ป, ปเรวัตาสามเณร น, นี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศ ล, ลกรรมนี้พระศาสดาทรงเห็นว่าจะไม่มีอุปสรรคจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของมหาบพพิตร จะสำเร็จในสมัยพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะพญาหนาคราชมาเกิดเป็นโอรสพระราชาถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะพระองค์นั้นพญาหนาคราชนั้นมาบังเกิดเป็นพระเชษฐโอรสของพระเจ้ากิกิพวกพญาทั้งหลายขนานนามให้ว่าปัทวินทะกุมารพระราชกุมารีพระพระพระรีเจดพระองค์ พระภักตรีน้องหญิงเหล่านั้นตกลงกันว่าจะสร้างสถานที่ถวายพระพุทธเจ้าถึงเจ็แห่งต่อมาพระราชกุมารทรงได้ตำแหน่งอุปราชได้ตรัสขอที่จะเป็นผู้สร้างหนึ่งแห่งแต่เรา พ, รพักตรีทูลว่าพระเจ้าพี่พระองค์ทรงได้ตำแหน่งอุปราชแล้วพระองค์นั่นแหละควรประทานแก่พวกเราขอพระองค์โปรดสร้างที่บริเวณอื่นเถิดพระอุปราชจึงให้สร้างวิหารถึงห้าอแห่ง ถวายพระเจ้ากัสสะและพิสุสง่์พระราชกุมารนั้นทรงบำเพ็ญกุศลจนตลอดพระชนชีพสวรรค์โคตแล้วเกิดในเทวโลกชาติสุดท้ายได้เป็นพระโอรสพระพุทธเจ้าดังปรารถนาชาติสุดท้ายในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระราชกุมารปทวินทระนั้นมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีพระนางพิมพาแห่งพระโพธิสัตว์สิทธัตถะของเรา ส่วนเท้าศักกะอดีตสหายบังเกิดในเรือนของท่านรัชปาปาเศษฐีในทุลโกตินิคมแคว้นกุรุในวันที่ประสูติจากพระคันของพระนางพิมพาต่อมามักเรียกกันว่าลาหุนมาตามารดาของพระราหุนนั้นตรงกับเวลาที่พระโพธิสัตว์ษษษษสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัท กำลังเสด็จประพาสอุทยานและได้พบเทวรูปเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตเป็นทารกที่พระบิดาไม่ได้เห็นใบหน้าไม่ได้สัมผัสกายก่อนจะเสด็จลงไปหาในาัชนะที่โรงเลี้ยงมา้าพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่า เราจะเ ร, ย, เระเยี่ยมดูลูกก่อนแล้วค่อยไปจึงเสด็จลูกขึ้นจากบันลังที่ประทับเสด็จเข้าไปยังที่บรรทมของพระมารดาราหุนทรงเปิดประตูห้องแสงจากดวงประทีปน้ํามันหอมอยังส่องแสงอยู่ทําให้ทรงเห็นพระมารดาราหุนทรงบรรทมวางพระหัตถ์ไว้เหนือเสียรของพระโอรสบนที่นอนอันเกลืก่อนกล่ด้วยมาริซอและมาริลาเป็นต้น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 ตัดพระเกศาเป็นต้นพันหนวกที่นั่นพระมารดาสอนให้ลูกสอนให้ทูลขอราชสมบัติในวันที่เจ็พระนางก็ทรงแต่งพระองค์ให้พระราหุลกุมารแล้วสอนให้ไปเข้าเฝ้าทูลขอราชสมบัติด้วยคำว่านี่นพ่อเจ้าจงดูพระสมณ น, นั่นซึ่งมีวั น, นรูปผมมีผิวพันธ์ดังทองคำ พร้อมร้อมด้วยสมณะสองมื่นลูกพระสมณะนี้เป็นบิดาของเจ้าพระสมณะนั้นมีขุมทรัพย์ใหญ่นับแต่พระสมณะนั้นออกบวชแล้วแม่ไม่เห็นขุมทรัพย์เหล่านั้นเลยเจ้าจงไปขอมรดกกับพระสมณะนั้นว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป็นลูกได้รับอภิเศกแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการทรัพขอพระองค์จงประทานทรัพแก่ข้าพระองค์ เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกของบิดาพระกุมารก็เข้าไปเฝ้าและได้รับความรักในฐานะพระโอรสขั้นเสวยพัดเสศจแล้วพระศาสดาทรงลุกจากอัศนะเสด็จออกพระกุมารติดตามไปกราบทูลตามคำสอนของพระมารดาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงให้พระกุมารกลับถึงพระอารามแล้วทรงดำริว่ากุมาร น, นี้ปรารถนาทรัพย์อันเป็นของบิดาซึ่งเป็นไปตามวัตร มีแต่ความคับแค้นเอาเถอะเราจะให้ อ, ล, อลิยัสอับเจประการที่เราได้แล้วที่โพธิมณฑลแก่กุมานี้เราจะทำกุมานี้ให้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกอันเป็นโล ก, กุตระพระพุทธเจ้าประทานมรดกโดยให้บวชเป็นสา ม, มเณรแล้วตัดให้พระสารีบุตรบวชให้ลาหุนกุมารบวชแล้วเป็นสา ม, มเณรพระราชาทรงเกิดความทุกข์ใหญ่ที่เสียหลาน ผู้สามารถจะสืบทอดวงได้จึงเสด็จเข้าเฝ้ากราบทูลขอไม่ให้พระผู้มีขอให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายบวนให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตซึ่งพระองค์ทรงมีพระบัญญัติห้ามแล้วในพระพินัยเล่า ว, ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพุทธอาฏในพระราชมนิเวศของพระเจ้าสุโทโธธนะสักยะพระเทวีมารดาของราหุนได้ตรัสสอนราหุนกุมารว่าราหุน พระสมณนะนั่นเป็นบิดาของเจ้าเจ้าจงไปทูลขอทรัพย์มรดกกับพระองค์ราหุนกุมารจึงเข้าไปยืนจึงเข้าไปเฝ้ายืนอยู่หน้าพระพักพรางกับทูลว่าข้าแต่พระสมณนะพระฉายาหมายถึงตัวพระกุมารเองของพระองค์เป็นสุขพระพุทธเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะลาหุนกุมารได้ตามเสด็จไปข้างหลังพระพางทูลขอทรัพย์มรดกไม่มีใครสามารถให้ลาหุน มากลับได้ถึงพระนิโคทาราถึงพระนิโครธารามแล้วทรงดำริว่าลาหุนนี่ปรารถนาทรัพย์ของบิดาอันใดทรัพย์อันนั้นเป็นไปกับวัตตะมีความคับแค้นเอาเถิดเราจะให้อริยะทรัพย์เจ็ดประการที่เราได้แล้วที่โพธิมันทะมันทะสถานจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระ มีพระสารีบุตรเป็นพระอุปชาตรัสเรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอจงยังราหุนกุมารนี้ให้บวชเถิดพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะให้ราหุนกุมารทรงผนวกอย่างไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงปราบเหตุนี้แล้วตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเราอนุญาตการบวชกุระบุตรให้เป็นสามเณรด้วยไตสรณคม แล้วทรงอธิบายการบวช ด, ด้วยวิธีนี้ว่าพิสูุ์ทั้งหลายพิสูจพึงให้กุระบุตรบวชอย่างนี้ขั้นต้นพึงให้โกนผมและหนวดแล้วให้คล้องผ้ายอมน้ําฝากให้หอมผ้าเฉวียงบ่าให้กราบเท้าพิสูจทั้งหลายให้นั่งกระโยคพนมอัญเชรีแล้วสั่งว่าจงว่าอย่างนี้แล้วสอนให้ว่าสมณาคมดังนี้พุทธังสรารนังคาฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสารนังขฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสารนังขฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทุติยามปิพุทธังสารนังขฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองทุติยามปิทำมังสารนังขฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองทุติยามปิสังคังสารนังขฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สตาติยามปิพุทธังสระนังฆาชามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สตาติยามปิธรรมังสระนังฆาชามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สตาติยามปิสังขังสระนังฆาชามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สาพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตการบทกุรบุตรเป็นสามเณรด้วยไตยสน ในสารณคมนี้ท่านพระสารีบุตรให้ลาหุนกุมารบรรพชาแล้วตรัสสอนจุลาหุโลวาทสูตรอธากถาว่าพระธรรมเทศนานี้ตรัสสอนตอนที่สามเนรลาหุนมีพระชนเจพันศาวันนั้นสามเนรลาหุนปีกวิเวยอยู่น้ปราสาท อัมพัติกาชื่ออย่างนี้เพราะส่วนสร้างยอดส่วนเรือนแล้วนำมาตั้งไว้หลังพระเวรุวันวิหารเพื่อให้ผู้ต้องการความสงัดได้อาศัยเวลาเย็นพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากที่หลีเกล้นเสด็จเข้าไปหาสา ม, มเณรราหุนกุมารเห็นพระศาสดาเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาด ท, ที่ประทับนั่งและตั้งน้ำไว้ให้ล้างพระบาทพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนอาสนะแล้วทรงล้างพระบาท สมมาเนถวายบังโคมแล้วนั่งทรงเหลือน้ําล้างพระบาทไว้หน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าลาหุนเตอเห็นน้ําที่เหลืออยู่ในภาชนะน้ํานี้หน่อยหนึ่งไหมสัมมาเนทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าตรัสว่าลาหุนคนที่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่น้อยเหมือนอย่างนั้น จากนั้นทรงเทน้ําที่เหลือน้อยนั้นทิ้งทั้งหมดแล้วตัดถามราหุนว่าและตัดถามว่าราหุนเธอเห็นน้ําที่เราเทจนไม่เหลือหรือไม่ทูลว่าเห็นพระเจ้าข่าตรัสว่าราหุนคนที่พูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีคุณธรรมของสมณะเหลืออยู่น้อยก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉันนั้นทรงควา่าภาชนะน้ํานั้นลงแล้ว ตัดถามว่าราหุลเธอเห็นภาชนะที่คว่มนี้ไหมทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าตรัสว่าราหุลคุณธรรมของผู้ไม่มีความระอายกล่าวเทศทั้งที่รู้ก็เป็นของที่เขาคว่มเสียแล้วเหมือนกันฉันนั้นทรงหงายภาชนะน้ำนั้นขึ้นตัดถามว่าราหุลเธอเห็นภาชนะว่างเปล่านี้ไหมทูลว่าเห็นพระเจ้าค่า ตรัสว่าราหุลคุณแห่งความเป็นสมณะของผู้ไม่มีความระอายกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันฉันนั้นสมเนีนเกิดความพุ่งสร้างขณะตามเสด็จในขณะท่านพระราหุลติดตามเสด็จไปก็เห็นความงดงามของพระพุทธเจ้าท่านคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระสรีระวิจิตด้วยมหาปุริสาลักษณะ32ประการงดงามดุดเสด็จไปท่ามกลางผงทองคำอันกระจัดกระจายเพราะมีพระราศมีแวดวงวาหนึ่งดุดขุนเขาวแวดล้อมด้วยสายฟ้าพระราหุนตัวดูตนเองบ้างคิดว่าแม้เราก็งามหากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงครองความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในมหาทวีปทั้งสี่ และทรงประธานตำแหน่งปรินายกแก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภาคพื้นชมพูทวีปก็จะงามยิ่งขึ้นท่านเกิดฉันทราคะกำนัดพอใจเพราะอัตภาพเป็นปัจจัยส่วนพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปก็ทรงดำริว่าราหุลมีร่างกายสมบูรณ์ด้วยผิวเนื้อและโลหิตแล้วเวลานี้กำลังฟุ้งซ่านไปในรูปาลมเป็นต้นอันนากหนันด ราหุนปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยความมักมากหรือแล้วทรงคำนึงถึงก็ได้รู้ความคิดของราหุนนั้นดูดเห็นปลาในน้ำใสและดูดเห็นเงาหน้าในกระจกอันใสบริสุทธิ์ทรงด âm ฤทธต่อไปว่าราหุนนี้เป็นโอรสของเราเดินตามหลังเรามาเกิดฉันทราคะเพราะอาศัยอัตภาพว่าเรางามผิวพรรณของเราผ่องใส ราหุนแล่นไปในที่ไม่ใช่ทางหน้าดำเนินกำลังไปนอกทางเที่ยวสนใจไปในอครจรไปยังทิศที่ไม่ควรไปดุดคนเดินหลงทิศกิเลสของราหุนนี้เติบโตขึ้นภายในย่อมไม่เห็นแม้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นจะถือปฏิสนธิในนรกบ้างในกำเนิดดิลฉานบ้างในเปตวิสัยบ้างในคันมันดาอันคับแคบบ้าง จะตกไปในสังสารวัฏอันไม่รู้เบื้องต้นและที่สุดเราไม่ควรเพิกเฉยราหุนนี้เหมือนอย่างเรือลาใหญ่เต็มไปด้วยรัตนะมากมายบรรจุน้ำไปในระหว่างกระดานแตกในเรือไม่ควรเพิกเฉยแม้เพียงคู่เดียวฉะนั้นเราจะข่มราหุนนั้นทำกิเลสภายในของราหุนนั้นให้พินาศไปลำดัดนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับยืนหมุนพระวรกายเหลียวดูดูดพราช้าง ดุดปฏิมาทองหมุนกลับแล้วตรัสเรียกพระราหุลทรงแสดงมหาราหุโรวาทาสูตรพระธรรมเทศนานี้ตรัสสอนตอนสามเณรราหุลมีอายุ18พันษาตรัสว่าราหุลรูปหมายถึงรูปขันธ์ทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันเป็นภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดีปราณีดก็ดีไก่ก็ดีไกล้ก็ดีรูปทั้งปวงนี้ธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระราหุลกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ารูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตเจ้ารูปเท่านั้นหรือตัดตอบว่าราหุล ทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณไม่ไปบินธบาดตัวจเจริญกรรมฐานพระสารีบุตรสอนอาณาปานสติพระอาหุนคิดว่าวันนี้ผู้ที่จะผู้ผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้โอวาเฉพะพระภาคแล้วจะเข้าบ้านเพื่อบินธบดอท่านกลับจากที่นั้นทันที ท่านพระสารีบุตรเห็นพระราหุล น, นั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าท่านจึงเข้าไปหาแล้วสอนให้เจริญอาณาปานาสติเวลาเย็นพระราหุลออกจากที่หลีกเลี้นแล้วเข้าเฝ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งกราบทูลถามว่าอาณาปานาสติที่เจริญให้มากแล้วมีผลมีอนิสงส์อย่างไรพระเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจารณ า, าธาตุห้าพร้อมด้วยรายละเอียดคือ 1. ปัตวีาธาตุภายในตนมีลักษณะแข่นแข็งอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมัน่นเช่นผมขนเล็บและฟันเป็นต้น 2. อาโปโาธาตุภายในตนมีลักษณะเอิบอาบอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมัน่นเช่นดีเสลดหนองและเลือดเป็นต้น สามเตโชธาต์ภายในตนมีลักษณะร้อนอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นเช่นไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้ซุดโทมและไฟเผาย่อยอาหารเป็นต้นสี่วายโยธาต์ภายในตนมีลักษณะพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นเช่นลมในท้องลมในลำไส้และลมหายใจเข้าออกเป็นต้น 5. อ า, าาอากาศธาตุอากาศธาตในตนมีลักษณะว่างเปล่าอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมัน่นเช่นช่องหูช่องจมูกและช่องปากเป็นต้นเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาตามจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายจิตย่อมคลายกำหนัดในธาตุทั้งหลายจากนั้น ตรัสให้เจริญภาวนาเสมอด้วยาธาตุห้าคือทำจิตเหมือนาธาตุห้านให้ทำจิตเสมอด้วยแผ่นดินยามที่มีสิ่งทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจมากระทบจิตทำให้เหมือนแผ่นดินที่ไม่ยินดียินร้ายเมื่อมีผู้คนทิ้งสิ่งสะอาดและไม่สะอาดลงมา 2. ให้ทำจิตเสมอด้วยน้ำไม่อึดอัดระอาหรือยินดีในยามที่คนทิ้งสิ่งสะอาดและไม่สะอาดลงน้ํา 3. ให้ทำจิตเสมอด้วยไฟไม่รังเกียจที่จะเาผาผลาญของสะอาดและไม่สะอาด 4. ให้ทำจิตเสมอด้วยลมไม่รังเกียจที่จะพัดถูกต้องทั้งของสะอาดและไม่สะอาด 5. ให้ทำจิตเสมอด้วยอากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตายตัวไม่มีอะไรทำให้เปิอะเปื้อนได้เมื่อเธอจะเินภาวนาเสมอด้วยของ5อย่างนี้ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจ ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะครอบงำจิตไม่ได้จากนั้นต ร, รัสสอนให้เจริญภาวนาธรรหกคือเจริญเมตตาภาวนาเพื่อละพยาบาทหนึ่งเจริญกรุณาเพื่อละวิหิงสารหนึ่งเจริญมุทิตาภาวนาเพื่อละอารติความไม่ชื่นชมยินดีหนึ่งเจริญอุเบกขาภาวนาเพื่อละปฏิฆาความโกรธความขุ่นข้องหนึ่งเจริญอสุภะภาวนาเพื่อละราคะหนึ่งเจริญอ น, อนิจจสัญญา กำหนดความไม่เที่ยงของสังขารเพื่อละอัสมิมาณนะความยึดถือว่ามีเราจากนั้นทรงอธิบายวิธีเจริญอาณาปานสติภาวนาและตัดสรุปว่าเมื่ออาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ลมอสาสะปัสสะอันมีในภายหลังอันบุคคลผู้ทราบผู้เจริญทราบชัดแล้วย่อมดับไปส่วนพี่ ส่วนผู้ที่ไม่ทราบชัดแล้วหาดับไปไม่อธิกรรมฐาว่าพระราหุลถูกทิ้งไว้ในวิหารนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรก็รู้แต่ไม่ได้ทรงบอกให้ใครๆนาอาหารไปให้พระราหุลไม่ได้มีจิตห่วงหาห่วงว่าต้องอดอาหารนั่งมานาสิการกรรมฐานตามที่ตรัสบอกและเจริญกรรมฐานที่พระสารีบุตรสอนด้วยท่านคิดว่า การไม่เชื่อฟังอุปชาและอาจารย์เขาเรียกว่าคนว่ายากพระโอวาทที่ตัดสอนพระราหุลบ่อยๆพระราหุลยังไม่ได้บรรลุอริยภูมิใดๆพระพุทธเจ้าทรงดำริว่าราหุล น, นี้สมบูรณ์ด้วยชาติสกุลเป็นต้นเธออย่าได้ถือตัวว่าเป็นโอรสเราหรือเยื่อยิงเพราะเหตุแห่งชาติโคตระตระกูลหรือผิวพันเป็นต้นจึงตัดพคถานนี้หนึ่งเนือง พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอไม่ดูบิ่นมันดิตหมายถึงภาษาาริบุตรเพราะการอยู่ร่วมกันเนืองๆหรือการถือคบเพลิงคือยานได้พระธรรมเทศนาเพื่อมนุษย์ทั้งหลายเธอนอบน้อมแล้วหรือพระสาริบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ดูหมิ่นมันดิตที่อยู่ร่วมกันเนืองๆคบเพลิงเพื่อมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์นอบน้อมแล้วเป็นนิดพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า เธอละกามคุณห้ามีรูปเป็นที่รักเป็นที่ลื่นรมใจออกบวช ด, ด้วยศรัทธาแล้วจงกระทําที่สุดทุกเถิดเธอจงคบกรยาณมิตรจนจงนอนนั่งในที่อันสงัดปราศจากเสียงกึกก้องจงรู้ประมาณในโภชนะเธออย่าได้กระทําความอยากในวัตถุอันเป็นที่เกิดตัณหาเหล่านี้คือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีรานเภษัส เธออยา ก, กลับมาสู่โลกนี้อีกจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและในอินทรีห้าจงมีสติไปแล้วในกายจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายจงเว้นสุภนิมิตการกำหนดหมายว่าสวยงามอันก่อให้เกิดความกำหนัดจงอบรมจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นดีแล้วในอสุภะภาวนาจงอบรมวิปัสนาจงละมา น, านุสัยแต่เธอนั้นจะเป็นผู้สงบพอละมานะ ความถือตัวเที่ยวไปฟังพระธรรมเทศนาบ่มยานเพื่อความหลุดพ้นมีพระธรรมเทศนาชุดหนึ่งที่ทรงสอนพระราหุลว่าด้วยเรื่องการพิจารณาอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณหสัมผัส6เวทนา6สัญญา6สัญจะเตตนา6ตันหาหภธาตุหและขันห โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเมื่อเห็นธรรมเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะไม่เห็นผิดว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรานั่นแหละอริยาสา ว, วกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในขันห้าเป็นต้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้ว อริยะสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระราหุลฟังพระธรรมเหล่านี้แล้วมิได้บรรลุธรรมใดแต่เป็นไปเพื่อบ่มยานให้แก่ก้าเพื่อการถึงวิมุตคือหลุดพน้นส่วนในขันทะวาระวัก เล่าว่าพระราหุลเข้าเฝ้าถึงที่ประทับทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอาหางการตัวเรามืมังการของเราและมานานุสัยเราเป็นนั่นเป็นนี่ในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งปวงภายนอกจึงจะไม่มีตรัสสอนให้พิจารณาขันห้าด้วยปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อหังการทิฏฐิมัมังการตังหาและมานานุสัยมานะในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงภายนอกจึงจะไม่มีดังนี้บรรลุพระอรหันตเมื่อฟังจุลหูโลวาทสูตรจบ ครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีแม้ท่านพระราหุลก็อยู่ที่นี้ด้วยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงหลีกเล้นอยู่ในที่รับทรงเกิดพระดําริว่าราหุลมีทำบุมวิมุตติแก่กล้าแล้วถ้ากะไรเราพึงแนะนําราหุลในธรรมที่สิ้นอาสวะก็ยิ่งขึ้นไปเวลาเช้าพระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี สเสด็จกลับจากบินทบาตภายหลังเสวยแล้วตรัสให้พระราหุลถือผ้ารองนั่งเข้าไปในป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันพระราหุลรับพระราชด âm รัสแล้วถือผ้ารองนั่งเดินตามสเสด็จไปสมัยนั้นเทวดาหลายพันตนติดตามไปด้วยพวกเทวดาคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแนะนำท่านราหุลในธรรมที่สิ้นอสวะยิ่งขึ้นไป ครั้นเสด็จถึงแล้วประทับนั่นบนอาสนะที่พระราหุลปูราดไว้โคนไม้ต้นหนึ่งพระราหุลถวายอภิวาทแล้วนั่งพระพุทธเจ้าตรัสถามตัดกับพระราหุลว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือจักษุตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงกาบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข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 ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจากขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะจากนั้นตรัสถามว่าจากขุสัมผัส สัมผัสที่เกิดจากตาเห็นรูปแล้วเกิดจากสุวิญญาณขึ้นรับรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระราหุลตอบว่าไม่เที่ยงทั้งหมดจากนั้นตัดถามถึงโสตะคานะชิวหากายมโนคู่ไปกับเสียงกลิ่นรส สัมผัสทางกายธรรมรมและกลุ่มวิญญาณหกมีจักษุวิญญาณเป็นต้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราทูลตอบว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าคะ่ะราหุนอริยสาวกผู้ได้สดาเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปพระราหุนบรรลุพระอรหันตเทวดาบรรลุธรรมจักสุ ตรัส จ, จบแล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดพระภาสิตนี้จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ยึดมั่นและธรรมจัก ส, สุขอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เทวดาหลายพันองค์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา อธิคถาแห่งนี้เล่าว่าพระราหุลตั้งความปรารถนาไว้คันพระพุทธเจ้าปทุมุตระครั้งนั้นท่านเป็นพญาหน้าชื่อปาลิตะส่วนพวกเทวดาที่ติดตามมาเข้าเฝ้าฟังธรรมที่ป่าแห่งนี้ด้วยก็ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมไว้เหมือนกันคำว่าธรรมจักสุดโดยทั่วไปหมายถึงปัตมามมักแรกคือสวดาปฏิมักเช่นในอุบาลีวาทสูตรและ ทีคณะขสูตรแต่ในพรมมายุสูตรท่านให้เรียกผลทั้งสามสกาทามคามีผลหนึ่งอนาคามีผลหนึ่งอรหัตตะผลหนึ่งว่าธรรมจักสุขส่วนในสูตรนี้อริยมรสีและอริยผลสี่ท่านเรียกว่าธรรมจักสุขคือเทวดาแต่ละองค์บรรลุธรรมแตกต่างกันไปจนถึงพระอรหัตตะผลก็มีราหุนเทระคาถาครั้นบรรลุพระอรหัตแล้ว ท่านได้พิจารณาข้อปฏิบัติของตนและเมื่อจะพยากรณ์พระอรหันตผลของตนท่านจึงกล่าวไว้สี่คาถาว่าชนทั้งหลายย่อมรู้จักเราว่าพระราหุนผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสองประการคือความมีชาติกําเนิดดีหนึ่งความเป็นผู้ปฏิบัติดีหนึ่งเพราะเราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้มีปัญญาเห็นธรรมทั้งหลายอันหนึ่ง เพราะอาสวะของเราสิ้นไปและพบใหม่ไม่มีต่อไปเราเป็นพระอรหรันต์เป็นพระทักขีในยบุคลมีวิชาสามเป็นผู้เห็นอมตะธรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นดังคนตาบอดเพราะเป็นผู้ไม่เห็นโทษในกามถูกขายคือตันหาปกคุมแล้วถูกหลังคาคือตันหาปกปิดแล้วถูกมานผูกแล้วด้วยเครื่องผูกคือความไม่คือความประมาทเหมือนปลาในปากใส เราถอนกามนั้นขึ้นได้แล้วตัดเครื่องขู่ของมานได้แล้วถอนตันหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชาขึ้นแล้วเป็นผู้มีความเยือกเย็นดับแล้วด้วยสัุปาทิเสสนิพานอุปสมบทเป็นพระพิสุทิ์อัถคถาสุตตนิบาตเล่า ว, ว่าเมื่อสามนเณรลาหุนอายุครบอุปชาแล้วพระสารีบุตรเถระก็ได้เป็นพระอุปชาให้อุปสมบท มีพระมหาโมคคาระเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์ถึงความเป็นเอตทะทักทะต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระราหุเลเถระว่าพิสุท์ทั้งหลายพระราหุลเลิศกว่าพวกพิสุทิ์สาวกของเราผู้ใคร่ต่อการศึกษาบทว่าสิกขาการมณางหมายถึงผู้ใคร่ในศิกขาคือรักที่จะศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ ซึ่งสิกขาสามโดยท่านยกการลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ของพระราหุล น, นับตั้งแต่วันที่บวชแล้วกอบทรายเต็มกามือตั้งปาถนาว่าในวันนี้ขอเราพึงได้โอวาทและพระอนุสาสนีมีประมาณเท่าทรายนี้จากพระาศาสดาและพระอุปชาอาจารย์กอทุกท่านพนมมือขึ้น กล่าวสาธุการพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแดนแห่งบิมุตหสถานคือหนึ่งการฟังธรรมสองการแสดงธรรมสามการสายทะยายธรรมสี่การตรึกตรองพิจารณาธรรมห การทำกรรมฐานมีห้าอย่างถ้าทำต่อเนื่องบ่อยๆนิพานอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้นี่การแสดงธรรมใครฟังแล้วเข้าใจเกิดปัญญาใครฟังแล้วเข้าถึงก็บรรลุธรรมแต่ถ้าใครฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้ขันติไม่มีเสียหายนะ ได้ประโยชน์หมดทีนี้พวกกูก็สรุปง่ายๆนะคือทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเนื้อหาตรงนี้ก็คือทรงเน้นบอกเรื่องที่มาที่ไปทำไมคนนี้บรรลุธรรมเหมือนออนางวิสาขาบรรลุโสดาบันได้แต่จเจ็ดขวบ เนนบันดิตเจ็ดขวเป็นพระระหันนะถ้าเราคิดแบบตักกะแบบเหตุผลแบบชาติปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนทีละขั้นทีละขั้นมันเป็นไปไม่ได้นะทีนี้ในเล่มนี้เนี่ยส่วนมากพระลหันทั้ง80รูปเนี่ยเขาจะกล่าวถึงอดีตเป็นแสนแสนกับนะเราไม่รู้ว่าเออเขารู้ได้ยังไง คนโบราณบางช่วงสมัยหนึ่งมีอายุแสนปีหลายหมื่นปีนะแล้วสร้างบารมีมาเยอะมากกว่าจะถึงชาติสุดท้ายที่ใบบรรลุธรรมนี่ไม่ใช่ฟลุกไม่ใช่ชาตินี้เราเก่งไม่ใช่เรียนเก่งๆไม่ใช่เรียนเยอะๆไม่ใช่นะบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันเนะี่ยคือผลกรรมเก่าก็บทบวกปัจจุบัน คือผลเช่นเดียวกันส่วนภาษาลีบุตรพระราหุ่นเนี่ยพ่อครัวมันเน้นเรื่องอะไรเรามีลูกหลานตัวเล็กๆบวชชีบวชบวเนรเนี่ยนะแล้วก็พระลาหุ่นเนี่ยเคยเกิดเป็นพญานาคขลาดแล้วเ้าก็พูดเรื่องพญานาคเนี่ยสามารถสร้างทานบารมีได้ เห็นหเรื่องนี้ในพระละหันแปดสิบรูปเนี่ยย้ำพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยลอยนะอายุขนาดนี้ได้บวชก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยอย่างอาทิตย์ก่อนเราพูดถึงเรื่องออพระ พะพยะพะยะในชาติสุดท้ายนี่เป็นพ่อค้าเกือบจะเป็นบ้าแล้วเรือล่มไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเลยฟังธรรมแค่ครั้งเดียวนี่บรรลุเป็นอาหารหันต์เห็นไหมถ้าพูดถึงเรื่องตักกะในชาตินี้นี่มันเป็นไปไม่ได้นะแต่ต้องระลึกรู้อดีตของพระองค์เหล่านั้นถึงว่าโอ้โสร้างบา ร, รมีมาเยอะมากนะพวกเราเช่นเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ยลอย นะเราสะสมมาเป็นแสนแสนกลับถึงจะได้มาเจอคำสอนของพุทธเจ้าในยุคนี้แล้วได้มีโอกาสได้บวช ด, ด้วยไม่ใช่ธรรมดาใช่หยพระหิยะเองไม่ได้บวชเพราะอาดีตไม่เคยสร้างกุศลในเรื่องได้บวชเลยไม่เคยถวายบาตรไม่เคยถวายจีบอนไม่เคยมีมีบรารมีด้านนน์แต่พระองค์ก็สร้างบรารมีด้านอื่นทาให้พระองค์ได้บรรลุธรรมได้ นะอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องชาติเดียวแล้วมันไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาว่าเออต้องอายุมากๆเรียนประสบการณ์เยอะๆอันนี้พิสูจน์ว่าพระอนนเนี่ยรู้มากที่สุดรับใช้พุทธองค์เป็นพระเลขานะพระองค์เทศอะไรนี่จดไว้หมดเห็นวัดปฏิวัตพิพระพุทธเจ้าหมดเลยประสบการณ์เยอะที่สุดทำไมไไม่บรรลุธรรม วินาทีที่บรรลุธรรมไม่ใช่เพราะความรู้เป็นเพราะวางลงไปนอนพุทธบรรลุกลางอากาศเนีแล้วเราฟังแล้วก็ต้องจับใจความได้นะมันไม่แน่นะลูกทุกคนบวชแค่แต่ละชั่วโมงแต่ละหนึ่งวันเนี่ยมันเกิดปฏิหารได้ทุกวันถ้าเราบวกบารมีเราฝึกทุกวันเนี่ยบารมีปัจจุบันบวกบารมีเก่าถ้ามันถึงพร้อมมันเกิดขึ้นได้ทันที นะพว ก, กูก็ขอยกออที่พุทธเจ้าทรงตัดสอนพระลาหุนบ่อยบ่อยบ่อยบอยนะเหมือนว่าลาหุนเธออยากกลับมาสู่โลกนี้อีกมีพ่อคนไหนแช่งลูกว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดมันจะขัดแย้งกับทางโลกนะลูกนะลูกเป็นเด็กดีนะ เกิดอนาคตข้างหน้าจะได้ดีกว่าเก่าจะได้ร่มรวยมั่งคัง่งผู้เจ้าสอนพระราหุนว่าเธออยากลับมาสู่โลกนี้อีกจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินรีห้าอินรีห้ามีอะไรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจงมีสติไปแล้วในกายอยู่กับตัวเองตลอดนะจงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่าย พ่อแช่งลูกให้เบื่อหน่ายทุกวันพวกกูสังเกตแอบบดูพวกเรานะโดยเฉพาะไม่ชีคนโตบางวันก็หน้าบูดหน้าบึง้งพวกว่าไอ้นี้ใกล้จะบรรลุแล้วแต่ชีวิตเราไม่ชอบเบื่อหน่ายเราชอบลื่นเลงสนุกสนานก็ไปเล่นเกมไปเที่ยวเตอันนั้นยิ่งห่างไกลความพ้นทุกข์ ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราจางคลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือทางไปสู่การพ้นทุกข์ไม่ใช่เบื่อหน่ายเพราะคิดเอาเองเป็นเรื่องกิเลสอันนั้นเบื่อกิเลสกิเลสมันเบื่อแต่ไม่ใช่เราเบื่อถ้าจิตเราเบื่อนี่ยมันเกิดมันคือผลของการเจริญวิปัสสนามันคือนิพพิพาลมเห็นไหมพระพุทธองค์ไม่ได้สอนลูกเหมือนคนอื่นนะสอนว่าเธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีก ไม่ใช่เหม็ น, นาเหม็นหน้าเธอนะีไม่อยากเห็นนะนะแล้วก็จงเป็นผู้มากไปด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อเราเบื่อหายแล้วเนี่ยจงมีความปิติสมโพธชงนะไม่ใช่มีความทอ้ทอถอยทอ้อแท้ไอ้ความเบื่อหน่ายมันคือทำให้เราเห็นทุกข์ละไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะแล้วก็มีพระธรรมเทศนา เขาใช้คำว่าพระธรรมเทศนาบ่มญาณเพื่อความหลุดพ้นบ่มญาณคือสร้างพลังญานหรืออินทรีย์พระเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อความบุญพ้นนะเน้นเรื่องอะไรนะทรงสอนพระลาหุนว่าด้วยเรื่องการพิจารณาอายตนะภายในหภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตนะภายนอกหก คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็อารมณ์นะวิญญาณหสัมผัสหในหนังสือพ่อครูเนี่ยนะเรียกว่าอายตนะวิปสัสสนากรรมาฐานพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเราต้องอาศัยอายตนะและเห็นเวทนาเห็นผัสสะนะเห็นสัญญาพอเราเข้าไปในจิตในจิตนั่นแหละเราจะเห็นสัญญาต่างๆ เราก็เอาสัญญาตัวนั้นนะ่ะเป็นเครื่องมือในการดําเนินเราเห็นไหมต้องมีต้องมีต้องมีสิ่งเหล่านี้นะ่ะเหมือนเราเราเป็นนักกีฬายิงเป้าบินน่ะถ้าไม่มีเป้าเราจะยิงอะไรเรายิงลมนะไม่ไปสางผลทุกอันนี้พ่อครูชี้ให้เห็นเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่กลับกันกลุ่มซึ่งเป็นนั่งฌานเข้าไปอยู่ในฌานไม่อาศัยไอจตนะ ไม่อาศัยสัญญานะติดสุขในฌานอันนั้นไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ว่างๆสุขสุขสบายสบายมันนอกเหนือการปฏิบัติแบบผู้เจ้าบอกแม้กระทั่งเข้าไปถึงเขาเรียกว่านิโรธสมาบัติก็ช่างแต่มันก็มีกำลังของจิตมากมันถึงจะเข้าตรงนั้นได้แต่ถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย ไม่ได้พึ่งอายตนะไม่มีพัรษะไม่ใช่ทางคนถูกเนี่ยเขาเรียกว่าติดสุขในฌานนะมันไม่ใช่เรื่องไ ม, ไม่ไม่เรื่องถูกเรื่องผิดพราครูเคยเล่าให้ฟังว่าหลายปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเคยบวชในวัดป่าแล้วก็ศึกแล้วอยู่แถวคลองสามคลองสีอะไรเนี่ยขับรถมาพอนั่งปุ๊บเขาก็จับเนี่ยพราครูคิดว่าเอ๊ะ เป็นวิชาหลวงพ่อโตรหรือเปล่าสองชั่วโมงเขาก็นั่งนิ่งอยู่นั่นนันพอออกมาเขาบอกว่าเขาจับลมแล้วก็เขาอยู่เหนือเวทนาว่างว่างสิ่งกระทบทําอะไรเขาไม่ได้หลังจากเขาพูดพ่อครูก็เฉยเฉยไม่ได้พูดชั่วโมงต่อมาก็จับอีกทีนี้พ่อครูมองกับไปนในจิตเขาเนี่ยนะมันกําลังหลงอารมณ์ฌานตรงนั้น พ่อครูก็เอาะระฆังไปข้างหลังก็ตีเปียงคดอกใจดิ้นไหลเลยอาใจอาเจียนอ้วกแตกอ้วกแตนตรงหลังโกงพก่อครูเดินไปพ่อครัวไอนี้เขาเรียกว่าเวทนาคุณไม่ได้อยู่เหนือเวทนาคุณหนีเวทนานั่นแหละเขาเรียกว่าอสัญญธรรมภาษาไทยบอกอย่าไปเที่ยวสัญญีสัญญากับเขานะ นะสัญญีสัญญานะนะสัญญาที่บันทึกไว้หลายชาติมีประโยชน์นั่นคือตัวปัญญาเราต้องไปเรียนรู้กับเขาอย่างอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วขึ้นมาเนี่ยเราก็กระทบผัสสะกับอารมณ์นั้นน่ะนั่นเราได้เรียนรู้เราได้ฝึกแต่นี้เนี่ยพวกศึกฝึกนั่งฌานแล้วเนี่ยเขาหนีสัญญาเขาเรียกว่าอสัญญีหรืออสัญญาก็ได้นะเป็นการฝึกจิตแบบไม่ หนีสัญญาเข้าไปสู่ฌานสมาบัติหรือแม้กระทั่งนีโลดสมาบัติอันนั้นก็มีพลังระดับหนึ่งนะพลังฌานให้เราไปตรงนั้นหนีเข้าไปในฌานไม่มีสัญญาพวกนี้เกิดมาไปอยู่ในภพอสัญญีภพอสัญญีภพคืออะไรพรมมันไม่ได้เกิดการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดการสร้างอินทรีย์พละนะให้เข้าใจนะทีนี้ไอ้ที่เราเวียงอายตนะวิบตัสนกรรมมาฐานเนี่ยนะแลก็เข้าไปในจิตนะแต่เราเข้าไปในจิตเราอยู่กับอายตนะตอลอไมันเห็นไหมร่างกายเต้นเราก็รู้เสียงมากระทบเราก็รู้เรารู้หมดเเราได้ใช้สติเราตลอยเวลาแต่ไอ้พวกนั่งชานเข้าไปน น, นั้นปึ๊บเนี่ยปุ๊บเข้าไปเนี่ยมีแต่ความว่างนะ มีแต่ความว่างก็ไปหลงติดความว่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอสัญญีธรรมนะส่วนบางบางแห่งก็ไปเพ่งสร้างนิมิตต่างๆขึ้นมานะเพื่อให้จิตมีที่เกาะนะอันนี้ยังมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ผูกเพ่งอันนั้นก็ได้แค่เจริญสตินะก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้าไปแป็กอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับแป็กอยู่ที่ฌานมันก็แป็กคนะระดับ นะก็แปก๊กส่วนเพ่งแล้วนี่สงบสงบนะบางทีสร้างนิมิตขึ้นมาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงแก้วเห็นอะไรก็ช่างเนี่ยเพราะเราสร้างนิมิตขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอสังขธรรมไม่ใช่อันนี้เรียกว่าสังขธรรมนะก็คือว่าธรรมะซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งการปรุงแต่งนิมิตขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายวิธีให้จิตเรามีที่ยึดเก่อ นะก็เกิดความสงบชั่วคู่ปัญญาก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเรื่องจิตวิญญาณนี่อย่าประมาทโอ้ยชั้นสูงแล้วชั้นอะไรแล้วนี่แหละไปติดสูงติดต่ำไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีสูงไม่มีมีตม่ำำําจําคํานึงไว้ว่าเหวี่ยงทิ้งไม่ติดอะไรเลยพณิษติดสุกในชาแล้วไม่ใช่ทางปนทุกนะก็ก็ให้เข้าใจนี่แหละ ถ้าเราไม่ใช้อายตนะไม่ใช้ขันห้าไม่ใช้ผัสสะไม่ใช้วิญญาณเราก็เหมือนเทวดาแล้วเราจะมีกายไว้ทำไมเห็นหเทวดาทาไม่ได้นะเทวดาก็ติดสุขจิตก็สุกอย่างเดียวนั่นแหละแต่ไม่ได้เจริญวิปัสนาเพราะไม่มีร่างกายไม่มีอายตนะโอ เรามีแล้วเราไม่ใช้เราก็หนีเข้าไปอยู่ในฌานนะอันนี้เราหนีทุกขเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นธรรมนะนี่คือคำสอนที่ผู้เจ้าเน้นกับพระลาหุลซึ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้หนีไปจากตรงนี้นี่คืออายตนะวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เห็นตาพระลาหุลตอนอายุสิบแปดใไมไปบินธบาทแล้วเริ่มหนุ่มนะเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วงาน ม, มันไม่สงบเลยเห็นไหม อันนั้นไม่พิจารณาอิจตนะอันนั้นเอาอาิจตนะไปเสพเห็นไหมจิตไม่สงบนิ่งผู้เจ้าเลยให้พิจารณาอิจตนะสักตะวารู้สักตะวะเห็นเห็นไหมไม่ใช่เราไม่รู้นะไม่ใช่เราไม่เห็นนะไม่ใช่เราหนีไปอยู่ในฌานนะที่เราเวียงเนี่ยเราเห็นอารมณ์หมดเพราะกู ว, ว่าเออเห็นแล้วบางทีมันร้องไห้ก็ให้มันร้องเราก็รู้วมันร้องแต่เราก็เวียงทิง้งมันเป็นการฝึกให้เรามีอินทรีย์พะละเราไม่ได้ฝึกสติเราใช้สติ เราใช้สมาธิเราใช้ปัญญายิ่งใช้ก็ยิ่งชำนานยิ่งทาอินทรีย์ก็เกิดพละกำลังมากขึ้นไม่ใช่หนีไปอยู่ในฌานไม่ใช่ไป น, นั่งเพ่งอะไรตรงนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นบาดฐานเบื้องต้นเป็นทางผ่านเฉยๆนะให้เข้าใจสิ่งที่เราทำนะก็คือว่าดีแค่ไหนก็ช่างวิธีการดีแค่ไหนก็ช่าง ถ้าคนทำไม่ดีคนทำไม่ดีคืออะไรคุณคนเผลอเลยคนไปตั้งมั่นไม่ศรัทธาตั้งมั่นคนขี้เกียจเรียกว่าคนไม่ดีนะคนดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายไม่ดีอุย้ยขยันปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้วิเศษนะเห็นหแล้วก็เป้เปาหมายคือไปติดอยู่ในฌาน ว, ว่าติดสุขติดสุขไปไปเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองสัมผัสเป็นนิพพาน อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอันนี้ต้องระวังนะหมายถึงทุกขั้นตอนที่เราเดินไปเนี่ยมันมีของคู่มีมารทั้งนั้นแหละในวิปัสนาเนี่ยมีวิปัสสูกิเลสนะเออเรามาหนทางวิปัสนาอุ้ยปลอดภัยแล้วอย่าประมาทระหว่างทางนี่มันมีมารกิเลสมันมาหลอกล่อเรามาสอบเราตลอดถ้าเราตั้งมั่นเราก็สัตแต่ว่ารู้สัแต่ว่าเห็นเวี่ยงทิง้งไม่พิจารณาไม่ตัดสินเห็นเพชรพลอยเวี่ยงทิง้ง เห็นสวรรค์เวียงทิ้งเห็นนรกก็เวี่ยงทิ้งไม่กลัวนี่ลหละคือมรรคจิตนะก็กรณีพระลาหุนซึ่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หนึ่งหนึ่งไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขของอายุพอเราเรียนรู้นะและไม่จำกัดว่าต้องมีประสบการณ์ชีวิตให้มากก่อนพิสูจน์ว่าอดีตบารมีมีผลมาสู่ปัจจุบัน อธิฐานบา ร, รมีหรือพระองค์ปาถนาเนี่ยบางทีพวกเราบวชก็บวชไปอย่างนั้นแหละไม่ตั้งมัน่นไม่ปาถนาเลยคำว่าปาถนะไม่ใช่เราอยากนะนะปาถนะเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าตั้งสัจจะหรืออธิฐานบา ร, รมีมันจะส่งผลเห็นส่วนพระราหุลเนี่ยอธิฐานว่าต้องการมาเป็นพระโอรส ของศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งเห็นหมมันก็บันทึกแล้วไม่ใช่ปราธนาเฉยไม่ทำนะพระองค์ก็มุ่งมั่นสร้างบา ร, รมีปุ๊บก็ได้เกิดตามที่เราอธิฐานไว้เห็นหมมันเป็นอธิฐานบา ร, รมีเนาะแล้วก็พิสูจน์ว่าภพชาติมีจริงพญานาคสร้างทานบา ร, รมีได้นะพรพญานาคนี่บำเพ็นตบานะช่วงเข้าพรรษานี่ เขาหวงตบะเป็นดวงไฟที่เขาบำเพ็ญมากเลยนะนะพอออกพรรษาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปถวายคายดวงแก้วออกมาถวายเป็นพุทธบูชานี่คือพญานาคก็บำเพ็ญตบะได้นะแล้วเขามาบอกเราว่าตอนนี้มนุษย์เราไม่เอาศาสนาแล้วมีแต่พญานาคและตอนนี้เขาขึ้นมาแล้ว นะเขามาเจริญต่อนะปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราคือใครมาจากไหนก็มีเวลาอีกนิดหนึง่งมีคำถามโอคคำถามยอดทิตของในช่วงนี้พ่อครูคิดยังไงกับวัดธรรมกายพ่อครูไม่ได้คิดอะไร พ่อูก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่บังอาจที่จะไปก้าวล่วงพวกอครูไม่แย่งงานยมพระบาลทำและพ่อครูก็ไม่ใช่ศาลแต่เมื่อถามมาก็จะบอกอะไรหน่อยหนึ่งที่มันมีคำหนึ่งบอกว่าชั่วช่างชีดีช่างสง่งอันนี้เป็นคำเตือนสติ ไม่ใช่เราพูดอย่างนี้เพื่อเพราะเราไม่ได้แยแสศาสนาไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของเขาใครสร้างกรรมคนนั้นก็รับแล้วใครรู้ว่าเขาสร้างกรรมคุณเห็นเจตนาเขาหรือเปล่านะทำตัวเป็นสารไปตัดสินทำตัวเป็นยมพบาลระวังนะไปแย่งงานยมบาลทาเนี่ยเผลอตกนรกมาเนี่ยสมมติว่าตกนรกต้องร้อยชาติยมยมบาล เพิ่มไปอีก500ชาติเพราะไปแย่งงานจงประบานทำเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เรานะพ่อครูเคยบอกแล้วพ่อครูผักเด็กคนหนึ่งล้มลงไปมันก็ร้องไห้ใหญ่เลยทุกคนเห็นหมดเลยตารวจมาชี้คนนี้ผักคนนี้ผักเด็กคนนี้ลุกขึ้นมาก็คนนี้เราผักฉันเอาพ่อครูไปติดคุกถามว่าพ่อครูทุกข์ไหมไม่ทุกทําไมเราทําความดีเ้าความดียังไงไปผักเด็กเนะี่ยงูมันจะกัดเด็กคนนั้นไม่มีใครเห็นเลย ถึงว่าอย่าเชื่อสายตาโง่โง่งตัวเองมากจนเกินไปยิ่งมีอคติไป ม, มองเขาอะไรผิดหมดก็ที่พ่อครูเลือกพระลาหุนนะลูกเพราะขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่นะลูกหลานเรายุขนาดนี้มีโอกาสมาบวชแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะลูกอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปนะมันมีคำพูดหนึ่งพ่อครูก็ไม่รู้เคยเห็น คำพูดอะไรดีๆใครพวกกูช่างพวกกูก็เคยโน้ตไว้พวกกูไม่จำอะไรงไงเขาเปรียบเทียบว่าการที่บรรลุโสดาบันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการเป็นกษัตริย์พันครั้งยิ่งใหญ่กว่าการมีเงินมีทองทั้งมากมายเห็นไหมเป็นกษัตริย์ร้อยครั้งพันครั้งยังต้องเบียดไหวาตายเกิดอย่างนะนะบรรลุโสดาบันเข้าไปสู่ทางเดินแล้วเนี่ย ันรกไปแล้วเห็นไหมมันยิ่งใหญ่มากไปเรียนจบด็อกเตอร์สูงๆแล้วเป็นเศรษฐีมันยังฆ่าตัวเองตายฆ่าคนอื่นตายพวกนี้ยิ่งเรียนยิ่งโง่โง่ไงเพราะตัวเองยังไม่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ยังไปด่าคนอื่นเนี่ยสร้างกรรมตลอดเวลานี่คนโง่นะพวกเรามีบุญมากแล้วนะมีโอกาสแล้วตั้งใจเดินดุ ส่วนจะเดินได้แค่ไหนอย่าเครียดนะเราเดึดถักทางสายกลางทุกอย่างทำพอดีพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันทุกคนต้องมีสติว่าพอดีของตัวเองเท่าไหร่พราะครูก็บอกคุณไม่ชีที่ดูแลนะบอกอย่าให้เด็กๆ เ, เครียดนะต้องบ่มเพราะจิตต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดานะมาช่วยกันดูแล นะให้กำลังใจแต่ไม่ใช่ว่าตามใจตัวเองจนเลอะเลือนเผลอไปสร้างกรรมมาไอ้ที่เราบวชมามันก็สูญนะบางทีผู้ใหญ่เขาพยายามตีกรอบให้เราเนี่ยไอ้ที่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันสาดอยู่แล้วไปตีไปทําให้มันเปื้อนนะพวกเราก็ต้องบางครั้งเนี่ไม่ทันมีอารมณ์ปุ๊บก็ต้องฝึกขันตินะต้องอดทนไว้ก่อนพอลมมันผ่านไปปุ๊บเราก็เกิดปัญญาระดับหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เราทำพลา ถ้าคนเราทำผิดแล้วเนี่ยยอมรับผิดแล้วแก้ตัวใหม่เนี่ยน่าสรรเสริญนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ทำผิดแล้วเนี่ยยอมรับผิดแล้วแก้ตัวเนี่ยเป็นคนน่าสรรเสริญแล้วคนผิดแล้วมีแต่แก้ตัวเนี่ยเป็นคนทใช้ภาษาเป็นคนจันไรแล้วผิดแล้วเรารู้แล้วก็แก้ตัวมไม่ได้ผิดองค์คุริบาลฆ่าคน999 9 99, ้าร้อย้าสิบเาเไหม สำนึกผิดก็บรรลุทําได้แต่ไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกดืดอกด้ออยู่ตรงนั้นแหละไอ้นี้ไอ้นี้เดินไปสู่นรกนะนะไอ้ความให้ไม่ได้ก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างโน่นอ้างนี่นะถ้าคนให้ได้เขาไม่อ้างหรอกเขามีความสุขมากกับมีโอกาสได้ให้เอาขยะออกจากตัวเองทำไมไม่ดีใจล่ะ แต่คนที่ให้ไม่ได้ก็อ้างโน่อนอ้างนี่อ้างโน่อนอ้างนี่แล้วมันจะไปไหนล่ะเออเดินไปช้าๆบางทีก็ถอยหลังไปเดินไปเก้าหนึ่งถอยไปห้าเก้าเดินมาอีกสามเก้าถอยไปอีกสิก้าแล้วมันจะไปไหนล่ะแล้วหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราก็ไม่ได้นะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตไม่ได้เราคิดยังไงก็บันทึกไว้หมดนะต้องฝึกความสุขที่แท้จริงคือการให้ ทานศีลภาวนาผู้เจ้าพูดอะไรไม่ผิดยิ่งเราอยู่ร่วมกันนะพอเผอปุ๊บขัดแย้งกันต้องให้อภัยทานก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าถูกหรือผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วถูกผิดดีชั่วเป็นภาษามนุษย์นะแต่เราเราเคยเรียนภาษาเราก็ไปติดถูกติดผิดเออเมื่อเมื่อเขาเขาผอผิดแล้วก็ต้องรีบให้อภัยเขาดิบดึงเขาขึ้นมาเราต้องมีเมตตา ไม่ใช่ปิดซ้ําเติมเขาอีกอันนี้นักการเมืองมันซ้ําเติมกันเพราะมันต้องการชนะอั น, นเป็นเรื่องหนึ่งเราเป็นกองเชียร์ไม่ใช่เรื่องเราสัหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปเชียร์มันอีกนะอันนั้นก็ยังไม่ว่ากันเป็นโลกียะนะอันนี้ก็ทุกคนตื่นขึ้นสิ่งดีๆก็เยอะแล้วนี่อย่าพลาดพังปึ๊บสะอาดแล้วอย่าไปทําให้มันเปื้อนทําไมแล้วนะรักษาความสะอาดแล้วมันสลาดอีกสะอาดอีกสะอาดอีกแล้วสักวันหนึ่งมันก็หมดนะ พระปูบอกนะนิพานสภาวะนิพานสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นได้ทุกๆนาทีนะเรามีของเก่าแล้วบวกของใหม่เข้าไปหน่อยไอ้ที่เราพังเพอทำไม่ดีแล้วก็ลืมมันอย่าไปย้ำคิดย้ำทำเราคงไม่ชั่วเหมือนองคุลิมาเน่นะโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนาใย